45, สี่สิบ้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธสมเด็จพระยาณสาสัมวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอริย์นายก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 ตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา 3. ตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตา 4. แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมให้เป็นสาธารณประโยชน์คือบริโภคร่วมกัน 5. มีศีลคือความประพฤติเสมอกัน 6. มีทิฏฐิคือความเห็นที่นำออกจากทุกสม่ำเสมอกันทำทั้งหกประการนี้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 ทำความเพียรเพื่อจะฆ่าห้าสัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นเมื่อได้ล่วงครบองค์ทั้งห้าประการนี้จนถึงสัตว์ตายลงไปเรียกว่าศีลขาดศีลเป็นท่อนศีลเป็นช่องนั้นคือไม่ถึงขาดแต่ว่าโวเต็มทีเหมือนอย่างผ้าที่เป็นช่องโวยกตัวอย่างดังปานอาทิบาคนั้นได้ล่วงจนถึงทําความเพียรเพื่อจะฆ่าแต่ว่าสัตว์ไม่ตาย หลุดพ้นไปได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนี่ชื่อว่าเป็นช่องสีด่างนั้นก็เหมือนอย่างผ้าด่างที่เป็นรอยใหญ่ๆแต่ว่าไม่ถึงกับขาดเป็นช่องได้แก่มีเจตนาคิดจะลุวนแต่ก็ยังไม่ทันได้ลงมือพยายามชื่อว่าสีด่างสีพลอยนั้นก็คือเหมือนอย่างผ้าที่เป็นรอยพ้อยได้แก่เมื่อรักษาสี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 หมายว่าไม่เป็นทาตของตันหาการรักษาศีลนั้นถ้ารักษาด้วยตันหาคือมุ่งจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นค่าตอบแทนเหมือนอย่างรับจ้างเขาทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค่าจ้างนี่ชื่อว่าเป็นธาตตันหาอีกอย่างหนึ่งตันหาในใจคอยบีบคันอยู่ทำให้ดิ้นรนที่จะออกไปจากศีลไม่เป็นสุขไม่ได้ความสุบ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 คือเป็นบาต ท, ที่จะให้เกิดสมาธิจิตคือจิตที่ตั้งมั่นได้แต่ไม่ใช่เป็นชนิดที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านกระสะับกระสะ่ายศีลที่จะเป็นบาตของสมาธิก็จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นการปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีศีลสม่ําเสมอกับด้วยเพื่อนสหัปปรมจารีทั้งหลายดังที่กล่าวมาเรียกว่าศีลัสมัญญาตาความมีศีลเสมอกันทิติสามัญญาตา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 และไม่ให้คิดวุ่นวายอยู่กับเรื่องของความคิดในโลกนี้เรื่องของความคิดในโลกหน้าที่ไร้ประโยชน์ไม่ให้เห็นกุ้มกัดอยู่ในเรื่องที่จะก่อการทะเลาะวิวาทสองอบรมทาความเห็นที่จะให้เกิดความสงบที่จะให้เกิดความดับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจ 3. ามอบรมทาความเห็นที่จะไม่ออกไปนอกทางแห่งพระธรร ม, มวินยัย อบรมทำความเห็นที่จะให้มีความสังวรในศีลเมื่อต้องอาบัตก็ต้องรีบออกจากอาบัตินั้นด้วยการรีบแสดงไม่ปกปิดไว้เหมือนอย่างเด็กอ่อนเอามือเท้าไปถูกถ่านเพลิงเข้าก็ต้องรีบชักมือเท้าออก 5. อบรมทำความเห็นที่จะให้ขวนขวายศึกษาในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญา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 หมดความภาคเพียนที่จะฟังการที่จะฟังธรรมได้นั้นจึงต้องมีกำลังใจที่จะฟังได้กล่าวคือจะต้องมีฉันทะจะต้องมีความภาคเพียนเป็นต้นถ้าขาดข้อนี้เสแล้วก็ไม่สามารถจะฟังธรรมได้โดยเฉพาะก็จะต้องมีหนึ่งเงี่ยโสดลง 2. ประมวลใจทั้งหมดสมทํทำธรรมะที่ฝังไว้นในใจและสี่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 ในขณะที่เสด็จอยู่ที่กรุงโกสัมพีนี้ได้มีเรื่องบังเกิดขึ้นเกี่ยวแก่บพิสุตสง์มีเล่าไว้ในคำภีไม่ในปิฎกโกสัมพิกะขันตะกะซึ่งมีความย่อว่าในขณะที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจา้าได้ประทับอยู่ณโกสตารามในกรุงโกสัมพีมีพิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตและก็เห็นว่าเป็นอาบัติแต่พิสุอื่น เห็นว่าข้อนั้นไม่เป็นอาบัตต่อมาพิสุนั้นก็พลอยเห็นตามไปว่าไม่เป็นอาบัตแต่ว่าพิสุอื่นที่เคยเห็นว่าไม่เป็นอาบัตนั้นก็กลับเห็นใหม่ว่าเป็นอาบัตคราวนี้จึงได้พากันไปบอกพิสุที่ต้องอาบัตว่าท่านต้องอาบัตท่านเห็นอาบัตนั้นั้มท่านรูปนั้นก็ตอบว่าผมไม่มีอาบัตตามที่ผมเห็นฝ่ายพิสุที่ยืนยันว่าเป็นอาบัตต่อมาก็ชักชวนกัน ได้ความพร้อมเพลียงกันทำการยกวัดพิสุที่ต้องอาบัตินั้นที่เรียกว่ายกวัดนั้นบาดีว่าอุเคปเนียากัมกรรมคือการยกวัดหมายความว่าถ้ามีพิสุรูปใดรูปหนึ่งต้องอาบัตแล้วไม่เห็นว่าเป็นอาบัตภิสุอื่นว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ยอมฟังสงก็มีอานาจประกาศกันและกันยกพิสุรูปนั้นออกจากความมีสิทธิเสมอกัน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 ตัดจากความอยู่ร่วมกันดังที่กล่าวแล้วนั้นแต่ว่าพิสุรูปที่สงยกวัดนั้นเป็นพระหูสูตรคือเป็นผู้ได้เล่าเรียนศึกษามามากเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยเป็นผู้จราดและเป็นลัทธิคือเป็นผู้ที่ละอายบาปกลัวบาปรังเกียจสงสัยใคร่การศึกษาหมายความว่าเป็นพระภิษุที่เคร่งครัดองค์หนึ่งแต่ว่าท่านไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ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 ไม่ทําสังก kind of mm ัดการอื่นๆกับท่านไม่ติดต่ออะไรกับท่านทั้งหมดก็จะเกิดความทะเลาะวิวาทแก่งแย่ตลอดจนถึงเกิดความแตกแยกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์ขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้พิกษุเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้หนักใจในการที่จะเกิดแตกแยกกันก็ยังไม่ควรที่จะยกวัดเถิดเพราะข้อที่ไม่เห็นอาบัตินั้นทันทีคราวนี้ส่วนพิกษุที่ต้องอาบัติแล้ว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 ก็จะเกิดความแตกแยกกันดังที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นเมื่อเธอหนักใจอยู่ว่าจะแตกแยกกันและประสงค์ที่จะมีความโกลเกลียวกันก็ควรที่จะแสดงอาบัตานั้นด้วยศรัทธาคือด้วยความเชื่อต่อพิสูจนเหล่าอื่แม้ว่าตนจะเห็นว่าไม่เป็นอาบัติก็ตามพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่พิสูจนทั้งสองพวกนั้นแล้วก็ได้เสด็จกลับก็ปรากฏว่า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 ภิกษุสงฆ์ได้เกิดแตกแยกกันขึ้นที่เรียกว่าเป็นสังกเภทความแตกแห่งสงฆ์สังกเภทความแตกแห่งสงฆ์นั้นเมื่อทรรมปุโรหิตแยกกันดังนี้จึงจะเรียกว่าเป็นสังกเภทขึ้นนานาสังวาสกัสสมาณสังวาสกัสภิกษุเหล่านั้นก็ได้ไปรกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงเรื่องที่ตนได้ปฏิบัติกันนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า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 ก็น่าจะได้แต่ก็ไม่ทรงบังคับก็เพราะเกี่ยวแก่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็มีศรัทธาอยู่ในพระพุทธบัญญัติเคร่งครัดอยู่ในพระวินัยด้วยกันแต่ไม่ได้ลงความเห็นลงไปแล้วอย่างนั้นถ้ายังไม่ถอนความเห็นนั้นถึงใครจะบังคับก็อาจจะบังคับได้แต่ในภายนอกส่วนความเห็นนั้นก็ยังมีอยู่ก็จะเป็นมูลที่จะแตกร้าวกันต่อไปดังฉะนั้นเรื่องการแตกความเห็นกันนี่เป็นเรื่องสําคัญ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 ก็มีทั้งสองพิสุที่ถูกสงยกวัดนั้นมีองค์เดียวคือที่เป็นต้นเรื่องเท่านั้นนอกจากนั้นนับเข้าในเหตุว่าตนเองทําตนเองคือฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนภิกษุที่ถูกสงยกวัดอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ยกวัดสนับสนุนในฝ่ายนั้นและความเป็นนาน า, นาสังวาสา ก, กะกันนี้คือว่าไม่ลงโบสถกันนี้จะสงบไปได้ก็ต่อเมื่อตนทตําตนเอง